ไม่ใช่ว่าไม่รู้ข้อมูลเลยเนี่ยเข้ามากับปานานิบาดาเวรมนีสิกาบดังสมาธิยมจะไปเด็ดเสกหัวเลาะตอกสิทธ์กันต่อไปทีนี้ประเด็นต่างๆแต่นี้เขาบอกว่าเพอเจตนาศีเนี่ยนะสีและเจตนานั้นเป็นกุศลกรรมที่มีกิจพิเศษชื่อเรียกพีชานิธานกิจไอตัวพีชานิทานกิจเนี่ยถ้ามีความจงใจในการที่จะรักษาสีนั้เป็นกรรมหรือไม่เป็น เป็นกุศลกรรมไหมกุศลกรรมให้ผลนี่สุขหรือทุกข์กรณีอย่างเนี้ยถามว่าตัวกุศลกรรมเหล่านั้นถ้าถามว่ากายกรรมที่แสดงออกมาหลังจากมีเจรณาแล้วเป็นกายกรรมที่เป็นไปกสุจิริหรือทุจริเป็นไปกสุจิริฉะสุจริที่กําลังเดินอยู่นั้นเขาเรียกว่ากุศลศี่กําลังเกิดขึ้นอยู่วจีกรรมเวลาจะกล่าวจะเป็นจะพูดแต่ละครั้งก็เป็นไปในไดในฐานะของสุจิริกรรม นันสุจริตกรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้ยเพราะกายก็สุจริตเพราะวาจาก็สุจริตใจก็สุจริตด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาศีลกําลังออกมาทําจิตในการมีความจงใจมีการจัดแจงมีความตั้งใจในการที่จะทําให้กุศลศีลน่าเกิดแล้วแล้วก็เกิดจริงๆด้วยแล้วก็มีการจัดแจงกายวาจาให้ตั้งมั่นโดยดีด้ว ย, วยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาศีทลทําจิตพิเศษแล้วคขาเรียกพีชานิธานจิต เป็นน้ํอยากเป็นรูปได้ยังไงลูกศีลต้องเป็นน้ําศีลเนี่ยมาเป็นตัวมาจัดแจงรูปธรรมให้ตั้งมั่นด้วยดีมาจัดแจงอะไรจัดแจงกายกรรมจัดแจงวิจิกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายกายกรรมที่เกลื่อนกล่นก็คือการไปฆ่าไปลักประพฤติิในกรรมไงวิจิกรรมเกลื่อนกล่นก็คือไงไปพูดเท็จอยู่เรื่อยเลยใช่ไหม จะพูดแต่ละครั้งก็ไม่มีความจงใจหรือตั้งใจจะจัดแจงคบพูดให้เป็นไปกระ บ, บุนอยากจะพูดอะไรพูดทันทีเลยรู้อะไรพูดทันทีเลยพอพูดแล้วเบรกไม่โยนเนี่ยเขเรียกศีมันไม่เกิดตางบรรดา น, นักพูดทั้งหลายเนี่ยผิดศีมเยอะแยะหมดศีนไม่เดินเพราะวะจีกรรมเป็นโทษ ถ้าอยากจะดูคนกล่า ว, ว่าจีเขาจริตก็ไปฟังคนเขาไฮพารกกันนี่ฟังเะยเราจะเห็นอกุปศลกรรมเพ่นพ่านเต็มหน้าจอทีวีอ่ะใช่ไหมใช่ทุก ม, มุมทั้งพู ด, ท, ดทั้งส่อเสียดทั้งคำหยาบทั้งเพ้อเจอ้อแล้วคนไม่รู้จักศีลนะ่ะมาพูดยิ่งพูดมากก็ยิ่งบาปมากคนไม่รู้จักศีลนั่นจะไปแจกแจง ว, วัจจีกรรมให้เป็นไปกับอุศลได้อย่างไร เอาพูดดีๆนี่แหละละครลิเกภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยพูดดีไหมเวลาตัวพระเอกออกมาี่พูดดีไหมถ้าพูดดีป่ะคนที่ติดะละครทั้งหลายเนยละครเนี่ยพูดเนี่ยเป็นวจีทุจริตหมดเลยหมดเลยเอะไร เริ่มเรื่องก็เป็นเรื่องโคหกเรื่องจริงแต่ทําไมทําไมจริงว่าดึงดูดจิตใจของคนดูมากเพราะเพราะคนไม่รู้เรื่องสีถ้าคนรู้เรื่องสีจริงจริงแล้วก็จะอยากไปดูไหมเพาอยากไปดูไหมไม่อยากดูหรอกดูก็เห็นโทษเห็นเห็นสัมผัสปลาป่าเต็ไมไปหมด มันเห็นโทษจริงๆเลยนะอันนี้ก็วันใดวันหนึ่งนะถ้ายอมมงคลเข้าใจอย่างอย่างที่อามาพูดนี่นะยมมงคลจะเห็นโทษเดินผ่านทีวีเนะี่ยหลับตาเลยโอ้ยเราบาปเรื่องผิดอานี้เยอะมากมันเป็นอย่างนั้นจร่งๆ หาสักเรื่องที่จะได้สาระสั้งนี่ก็ยากเข้าใจใช่ไหน่ากลัวมากมันเป็นยุคแห่งการพิดศีลก็อย่างรุนแรงมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเราก็เรา ก, เราก็ไปเกิดไปเสดไปติดไปบริโภคเรียบร้อยหมดนี่เข้าใจเจตนาศีลเป็นอุปศนกรรมเลยใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นไปรักหนังบานผิดพลาดไอ้ตรงนี้ก็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 ถ้าปริมาณของกุศลศีลหรือกุศลเจตนาที่เป็นไปในดักษมาในกระแสใจของท่านบุรีอย่างหนาแ น, น่นนะท่านผู้นั้นก็เหมาะแค่การที่จ ะ, จะเจริญคุณธรรมเบื้องสูงมีสติปัญญาเป็นต้นเอาอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าฟังธรรมเนี่ยนะถ้าเจตนาศีลเดินนะท่านจะไม่มีการง้อ่วงเลยจิตใจจะพองไซล่าเริงและเบิกบานจะจะเป็นไงั้นไหม ชาติมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีความตั้งมั่นสูงมากเพราะอะไรศีเนี่ยเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดานะที่พระองค์ประทานไว้ให้ทําไมยังบัตรานไว้ให้เพราะการุณาโยมอ่ะถ้าหากไม่มีสีรกเจตนาเป็นต้นประชุมไว้ในกระแสใจของโยมเนี่ยโยมก็คือมีอบายทุกปฏิวิธิบาปนรกเป็นไป แล้วก็จะต้องจมในสังสารวัฏอีกยาวไกลเพระองค์สงสารมีพระมหากรุณาธิคุณเมื่อตัตสรุณุตลาสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็ประทานกุศลเจตนาศีบ้างเจตสิกศีบ้า ง, ส, างสังวรสีนวิติกรมาให้กษัตริย์ทั้งหลายได้เกิดความรู้และความเข้าใจจะได้ไประชมกุศลและสีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในกระแสขันและจะได้ควบคุมกายกรรมวจีกรรมธรรมโนกรรมนั้นให้สะอาดผ่องใสหมดจดจากบาปประธรรมทั้งหลาย แล้วจะได้เดินเข้าสู่ร่องรอยของสิกขาสามของพระบรมศาสดาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏทุกเขา้าใจ่ยังนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วเราต้องการจะปฏบิบัติบูชาเนี่ยกุศลศีลและเจตนานี่นะจะต้องเดินได้จริงจิงอย่างในขณะที่นั่งตรงเนี้ยอ๋อในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยนะจิตคงสัาง ลำคาญใจนี้บงบอกเลยว่าตัวศีลไม่เด่นอันนี้ใครจะแก้ให้เราได้ใช่ไหมเราต้องมีปัใจจัยในการที่จะต้องอาศัยความตั้งใจค่อนข้างแรงนะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําความเข้าใจตรงนี้เจตนาเป็นศีลก่อนนะประการต่อไปก็คือเจตสิกเป็นศีลไอ้ตัวเจตสิกเป็นศีลเนี่ยเจตสิกเนี่ยมันเกิดนะสภาวธรรมเขาคือเกิดพร้อมกับจิต ด, ดับพร้อมกับจิต มีอารมณ์เดียวกันกับจิตแล้วก็อาศัยวัตถุคือที่เกิดอย่างเดียวเป็นกันเอก็แปลว่าถ้าจิตรับรู้อารมณ์เจตสิกก็รับรู้อารมณ์ด้วยถ้าจิตรับสัทธารมเจตสิกก็รับศัทธารมณ์ด้วยใช่ไหมถ้าจิตอยากจะรู้เรื่องอะไรเจตสิกก็ต้องรู้เรื่องนั้นด้วยถ้าจิตไปคิดถึงใครเจตสิกก็คิดถึงคนนั้นด้วยเข้าใจยังฉะนั้นเจตสิกสีนี่เป็นตัวเจตสิกที่เกิดขึ้นกันกับจิต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 เขาจะให้ข้อมูลจิตให้เป็นกุศลก็ได้ให้ข้อมูลจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เจริญสิกเป็นแบบนี้นะแม้ขณะฟังธรรมเนี่ยเจริญสิกไม่ดีเนี่ยเขาให้ข้อมูลจิตให้เป็นบาปยังได้เลยได้มไหมชีเป็นได้ไหมได้ทำไมไม่ได้จะให้นั่งฟังแล้วแบบว่าหลับไปเอยนี่เจเจสิกไมนให้ข้อมูลใหหลับนะหลับเรียบเรียร้อยเลยนะี่มัน เนี่ยมันมันแล้วจะมันจะป้อนข้อมูลได้หมดเลยอันนี้แปลว่าเขาปรุงแต่งได้เขาปรุงแต่งให้จิตเป็นบาปก็ได้ถ้าหากว่ากรณีอย่างนี้นะถ้าเป็นเจตสิกสีเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตากสัมมาอาชีวะสามตัวแล้วนะ สัมมาวาจาก็คือการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสัมมาธรรมตาก็คือการกระทํารมที่งดเว้นจากการยืทุจริตสามสัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพที่เว้นจากการเลี้ยงชีพนะที่เว้นจากการยืทุจริตสี่วจีทุจริตสามที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหลายลักหนี้เป็นสัมมาชีวะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอนุพิชชาคือความไม่โลภอภยบาศคือความไม่โกรธแล้วก็สมาทิฏฐิคือปัญญา เดี๋ยวเข้าใจยอย่างงี้นะสัมมาวาจาเป็นศียังไงสัมมากรรมตากเป็นศียังไงสัมมาชีวะเป็นศียังไงนะยกตัวอย่างให้เห็นนะถ้าใครไม่เข้าใจถามเลยนะแล้วก็พิจารณายัางไงดูเอี๋เราเนี่ยขนาดฟังทำไม่ต้องได้พูดอะไรเลยอยู่นะแค่มานั่งฟังก็จะทํากิจให้เป็นกุศลยังทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเก้าอี้นี่ก็ไม่เหมาะเลยว่า ไม่สมควรนั่งเลยยืนดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะได้หลักคืออย่างงั้นใช่ไหมเออมาหลับต่อหน้าพระู้มีพระภาเจ้าไม่เหมาะเลยเอาว่าทาก็กาลังหลังไหลแต่ว่าพุทธเจ้าเทศอยู่นี่ไม่อาจตมานะ่ที่จะมาเดินเรื่องนี่คือพุทธเจ้าเราไม่ไม่ต้องดูไปได้มานะนู่นมองไปถึงพุทธเจ้าที่นุ่นพระพุทธรูปนี่อันมาพูดแทนพรพทธาจ้าสิ่งที่ถูกเป็นของพุทธเจ้าหมดถ้าผิดเป็นง้องอาตมา พยายาใช่ไหมเอามาก็ต้องพยายามระวังแล้วหนึ่งจะต้องไม่ประทุษร้ายคําสอนของพรเจ้าก็จะต้องพูดด้วยสติและสมบูรณ์ยิ่งแล้วจะพูด ต, ต่างๆต้องมีข้อมูลและต้องเอามาใค่ายควรได้จีิงจรใช่ไหมนี่เลยต้องเป็นอา้าวส ม, มาวาิจาเป็นศีลยังไงส ม, มาวิจาในการกล่าววาิจาที่เว้นจากวจีทุจริตศี ก็คือความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบและเพ้อเชือไอ้ตัวนี้เป็นสมาวาจาที่สมาวาจานั้นก็ไปแยกไปคถาสมาวาจาเวรเจตนาสมาวาจาแล้วก็วิรติสมาวาจาถ้ากถาสมาวาจาเป็นการพูดดีที่เป็นเบิกกุศลไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะงดจะเป็นศีลอะไรใช่ไหมแต่เป็นกุศลไม่เป็น หรือเจตนาสัมมาวจาคือเป็นเจตนาที่ต้องการเจะพูดให้เป็นไปกับกุศลเนี่ยไม่ได้ขับเน้นในการที่จะเว้นจากการพูดเท็จแต่ถ้าหากรณีที่เวรัติสัมมาวจานี่นะอันนี้เป็นความงดเว้นเลยเป็นความงดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเป็นตัวงวดเว้นเลยอ่ะตัวงวดเว้นที่ว่าไม่พูดเท็จเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยแล้วก็ไม่พูดซ้อเสีย ไอ้กอเสียดในที่นี้แปลว พ, นะพูดให้คนแตกแยกกัน่ะพูดให้คนแตกแยกกันแล้วเขาแตกแยกกันจริงๆคบกรรมบวอย่างเงี้นะทั้งกรณีแบบเนี้ยพูดไปพูดมาจะแตกแยกเลยพูดดีก็แตกแยกได้นะพูดดีๆนี่แหละแต่ให้คนแตกแยกนั่นแหละกรณีอย่างนี้เป็นส่อเสียดหมดเมื่อความแตกแยกเกิดขึ้นคบกรรมบวหมดก็มีอบายทุกขติวินุบาตนรกเป็นไปไม่ได้นะคนไม่รู้ถ้าเขารู้กรรมตรงนี้เขาจะไม่มีก การพูดเท็จกันหรอหรือพูดสอเสียใช่ไหมพูดคําำยากก็ก็พูดพูดสิ่งที่เป็นฟังแล้วมันขัดเคือง้วยแล้วพูดด้วยอกุศลโดยเฉพาะพูดด้วยโทรศัพท์แล้วก็พูดเพิร์เจอเพิร์เจอรนี่แกยากมากสําหรับคนชอบพูดทั้งหลายนี่เพิร์เจอก็คือพูดเรื่องอะไรดียร์พูดเรื่องกองทัพบ้างพูดเรื่องพระราชาบ้าง ใ่ไหมพูดเรื่องการบ้านการเมืองว่ถ้าสรุปลงพระธรรมไม่เป็นนะถ้าสรุปลงไม่ได้เพ้อเจ้อชัดเลยทีนี้สภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหย่าบหรือเพ่อเจอตรงนี้เป็นตัวสมาวาจาและตัวสมาวาจาเนี่ยเป็นไปเพื่อการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นสภาวะที่งดเว้นจากการพูดเท็จอันนั้นแหะเป็นสมาวาจา เป็นสมาวาจารที่สมาวาิจาจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นตัวเจตสิกสีลตัวเจตสิกสีนเหล่านี้แปลว่ามีปัจจัยที่จะทําให้ล่วงละเมิดในการพูดเท็จแล้วงดเว้นมาไนดะ้อันนี้วิรัติเกิดอย่างนี้เข้าใจไหมเช่นเห็นบุคคลที่จะกล่าวมีเรื่องที่จะกล่าวแต่ความงดเว้นเกิดขึ้นได้อันนี้แปลว่าอนะไรสมราวาิจารทำจิตแล้ว ในการงดเว้นนี่เลสมารกรตาก็ในลักษณะนี้แต่เป็นไปในด้านของการควบคุมกายกรรมในกรณีที่จักฆ่าแล้วงดเว้นจากการฆ่าได้จักรักทรัพย์งดเว้นจากการรักทรัพย์ได้จักประพฤติผิดในกรรมแล้วก็มีสภาวะที่มีการตับทอนทําให้จิตนั้นนะ่ะขดออกจากการไม่ฆ่าไม่รักแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วทางกายกรรมก็ไม่น้อมในการที่จะทําอย่างนั้นได้จริงถ้าอย่างนี้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 พอก็ทกํากระทําไปเบเสร็จมีปัจจัยที่จะทําให้ต้องกล่าวเท็จก็ไม่กล่าวจะพูดส่อเสียดก็ไม่พูดงดเว้นได้จริงๆด้วยมันเป็นอาชีพของเราจริงไหมอาชีพในการที่เราทําราชการจะมันเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่จะเป็นการไปกล่าวเทสก็งดเว้นในการ ก, กล่าวเทสจากอาชีพที่เรากระทาด้วยแล้วก็จะพูดส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยจริงจ ร, ริงการทำร้อยติด บางทำบางแห่งก็จะมาเขียนยอมงดมาเห็นก็เขียนเข้าไว้เอาไว้ต้องรีบปิดเลยกลัวมไม่มีจารีตศีลอันเป็นจารีตศีลนะสถานที่ตรงนั้นเน่ะเขาสั่งใช่ไหมก็มีระเบียบถา้าเราไม่ปิดเนี่ยมันถึงเงนตรงนี้ก็คือว่าเอาทุกคนที่เกิดมาจะีอาชีพหมดไหมฉะนั้นในขณะที่จะทำอาชีพไปนั้นอ่ะก็งดเว้นบาปกรรมทางวาจาบาปกรรมทางกายได้ แล้วใจก็ไม่เศร้าหมองอันนั้นเขาเรียกว่าอาชีพในบริสุทธิ์ถ้าไปประกอบอาชีพแล้วเครียดมีสัมมาอาชีวะไหมเห็นไหมเห็นชัดแล้วเอาทำงานโอ้โหถูบ้านมีเคชียดในการถูบ้านเนี่เนี่ยเป็นแม่บ้านนี่เนี่ล้างจานหน้าดําตาแดงเลยอ่ะมีสัมมาชีวะไหมมีไม่มีโยถูบ้านแล้วเครียดเนี่ยมีสัมมาชีวะไหม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 พ่ตอนเช้าก็วกวาดใหญ่เลยถ้ากวาดไปแล้ววิตกกังวลไปท่านมีจารีตศีลไหมไม่มีแล้วอย่างนั้นน่ะอาชีพกพ็ผิดเพราะเครียดไงติดต่อโทราศัพท์ใหญ่เลยเพราะงานต้องโทราศัพท์เนี่ยทําไมคุยไม่รู้เรื่องมีสมาธิวะไหมไม่มีเพราะประกอบอาชีพด้วยโกรธ ด, ด้วยแล้วพูดด้วยคําหยาบบ้า ง, งนี่มีได้ไง ถ้าทากับข้าวอยอดหวานทำใหญ่เครียดใหญ่โอ้คนมาก็เยอะเอามีอาชีวะไหมมีสมาชีวะไหมไม่มีไม่ใช่เครียดอย่างเดียวโลกก็ไม่มีด้วยนะทำไปแบบโลภะเกิดเนะ่ยโอ้อร่อยน่าดูฟื้นเนี่ยนะก็ไม่มีไม่มีสมาชีวะอีกนี่มเป็นอย่างนี้สมาชีวะเนะ่ยอย่าไปขับเน้นแค่ทำมาเชี่ถูก ต้องขับเน้นที่ใจนั้นต้องสะอาดด้วยผลปรากฏเน้นกายสะอาดวาจาสะอาดใจต้องสะอาดถ้าอย่างยังตรงเนี้ยศีลอย่างนี้เราจะเดินกันยังไงอ่ะถ้ากุศลศีลแบบนี้ไม่เดินในชีวิตจริงให้นานเนี่ยแลนจะไปเจริญกับสาวนึงแล้วจะให้กรรมฐานอะไรมันไปชุมลงในใจได้เข้าใจไหมเ อ, อาใครมีอาชีพสอนหนังสือเมือนอาตมานเนี่ยเป็นพระมะกล่าวพระธรรม กล่าวไปโกรธไปกล่าวไปโกรธไปอามาขาดแล้วเสยหายมากเลยสแสดงคำผิดพระุทธเจ้าบอกว่าต้องสแสดงด้วยเมตตาใช่ไหมปรารถนาดีต่อผู้ฟังเนะ่เวลาจะให้ออกไปปฏิบัติเห็นไหมการปฏิบัติในศีลเนี่ยเริ่มรู้แล้วไม่ปฏิบัติยังไง ว่จริงๆปฏิบัติในศีลน่ะไม่ใช่ไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กถ้าสี่เหลี่ยมเล็กและยาวด้วยก็ลงนะแต่นั้นมันไม่มีสิเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันมันต้องเกิดได้จริงๆในขณะที่เจอหน้ากันแล้วไปสนนานๆนโอ้โหเถียงกันใหญ่นักศีลมันเดินไหมเนี่ยมีสมาวาิจารไหม มีสมารกรรมตากมีสมาชีวะไหมผิดหมดตึองบอกว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องสีก็เลยไม่รู้จะคิดอย่างไรอาชีวะจริงเป็นแบบนี้ไหมอาชีกลับไปที่วัดขัดห้องน้ำบนด้วยเนี่ยเป็นไงสีเนะี่ยไปหมดเที่ยแล้วชีวิตจริงเป็นอย่างงั้นมีไหมนั่นแหละ ก็อย่าให้มันเกิดถ้าเกิดงั้นหยุดเลยนะบอกโอ้ไม่สมควรกก่เราเลยเราจะมาอบรมสีจเจริญสีนเนี่ยแล้วมาทําให้บาปเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาทํำอย่างเนี้ยไม่ควรแก่เราเลยนั่งย้ําตัวเองบ่อยๆแล้วก็มันใช่ควรแล้วจะทําต่อก็ใจเย็นๆบางคนทําอย่างไรสีมันเกิดแบบนี้นะเอาทําไม่เกิดในรักขนะอย่างนี้จะทํายังไงอ่ะ ต่อให้สมาทานวันละร้อยรอบร้อยรอบอถ้ามันเดินไม่ได้มันเกิดไม่ได้ไม่เข้าใจเลยก็สมาทานไปสิสมาทานไปนก็ไม่ได้ฉะนั้นความตั้งใจเนี่ยสมาทานต้องไม่ต้องการสมาทานบ่อยๆ ย, ย้ำตัวเองได้ตั้งใจบ่อยๆเนีได้เป็นการระลึกเตือนตัวเองบ่อยๆ แ, แล้วให้คุณศรศีลเดิ น, นได้จริงๆด้วถ้าอย่างเนี้ยเราจะเห็นศีลเราจะเห็นหน้าตาของเขาแล้วเราจะเข้าใจ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 เสียเลยอ่ะนั้นมันต้องสามารถดื่มดําในรสของสีได้ด้วยที่ประเด็นในปัจจุบันเนี่ยเราเอาสีมาดื่มไม่ได้เลยไม่เห็นรสของสีมันมีความสุขยังไงใช่ไหมมันมีรสชาติยังไงกลิ่นของสีมีมีความห อ, หอมหวานยังไงรสของสีมีความหวานเย็นยังไงแล้วก็เมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยผลที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเน่ะ ทำให้จิตใจของใสเบิกบานปีตีปลาโมดยังไงมันก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหาหมากไม่ได้ดื่มรถมแล้วความสุขมันจะเกิดยังไงใช่ไหมมันเหมือนบอกอ้าให้ไปกินยาเนี่ยคนของยาไม่เห็นมันปรากฏออกไม้เห็นเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ไม่เห็นสะอาดอะไรขึ้นมาได้เลยเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรนี่อะไรกิน ให้ไปดื่มยาบำรุงร่างกายก็ไปดื่มแต่ยาพิษใช่ไหมแล้วตอนนี้เข้าใจยังเขา้าใจใช่ไหมเดี๋ยวมาจะสรุปพอจบภาคแรกเรามาจะสรุปแล้วให้ถามเพื่อมาจะถามเลยนทีนี้ถามแต่ละคนตอบได้ด้วยนะเนีย่ยมาจ้องไว้แล้วจะถามใครบ้างนี้ไม่คืออยากจะรู้ว่าฟังเนี่ยฟังไปแล้วเนี่ยมันสามารถสรุปประเด็นได้้ไหม ถ้ามาว่ามาเนี่พูดลานบินนี่ต่ำที่สุดแล้วนะเนี่ยเอามีตรงไหนบ้างที่ไม่ยกตัวอย่างประกอบเนี่ยต้องพยายามยกตัวอย่างประกอบใช่ไหมหรือหรือมันพูดได้ละเอียดกว่านี้อีกหรือว่ามันพูดได้เห็นชัดมากกว่านี้ตองยกตัวอย่างทีนี้เริ่มจะเข้าใจในเรื่องของสมาวาจารสมารกรรมตาสมาชีวะใช่ไหมอ้าต่อไปความไม่โลภอนัพพิชาไปตอนนี้ ความไม่โลภคืออนาอนาพิชานียอานาพิชาานี่ก็แปลว่าความไม่โลภความไม่โลภในที่นั้นก็คืออะโลพเจตสิกอโลภาเจตสิกคือสภาพที่มีความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นคือแปลกนี่นะถ้าโลภเนี่ยยกตัว อ, อย่างเช่นอามาไปเห็นยมใส่สร้อยแหวนมีเงินมีทองมาวางไว้เนี่ยอามาเกิดความโลภอยากได้มาเป็นของเอามาปก๊บเขาองและ แค่นี้ครบองแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่ชิดอยากจะได้แล้วน้อมปรารถนาอยากเอามาเป็นของตนเองไงอันนี้ครบกรร ม, มาบทเป็น อ, อภิชาเป็นมโนโทุจริตเมื่อครบองค์อย่างนี้กรรมที่อาลมาโลภอย่างนี้ถ้าส่งผลในปฏิสนธิการก็จะทําให้อาลมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัจจะรันเป็นสัตว์นรกไปเลยกี่โทษหนึ่ง ยังไม่ไปเอาจริงๆเวอแค่คิดเพ่งเล็งอยากได้มาของตอนเองเนี่ยแค่นี้มันสําเร็จแล้วนะฉะนั้นอ น, นาพิชาก็คือมันตรงกันข้ามก็คือไม่โลภไม่เพ่งเล็งอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตอนเองทีงนี้ไอความไม่โลภเนี่ยเป็นศีได้ยังไงด้วยความไม่โลภเนี่ยไม่โลภไม่เพ่งเล็งทรัพสมบัติบุคคลอื่นเพื่อจะมาเป็นของตอนเองเนี่ยนะพราะมีความไม่โลภอย่างเนี้ย ความไม่โลภนี้ก็เลยมาจัดแจงกายจัดแจงวาจาไม่ให้มีการฆ่ า, า ก, การลักการบิดผิดในกรรมจัดแจงวาจาไม่ให้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเลยเพ้อเจอ้อความไม่โลภเหล่านี้ไปจัดแจงจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับตนเองด้วยก็ทําให้นามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นเป็นไปกุศลด้วยความไม่โลภแล้วประมาจัดแจงควบคุมกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลน่นไม่ให้กระจัดกระจาย ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความไม่โลภมาอยู่ในฐานะเป็นศีลเข้าใจไหมพูดตัวเนี้อ้าไม่เข้าใจยกตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้ยเอายมมงคลไม่เห็นทรัพย์สมบัติของยมหวานเพรเห็นปุ๊บแล้วก็จิตมันน้อมจากโลภใช่ไหมยมมงคลจะตัดความโลภตรงนั้นเลยไม่เพียงเล็งทรัพย์สมบัติของยมบวา น, น, ลลานแล้วก็ไม่ปรารถนาเพราะ เมื่อถามถ้าถ้าหากเขาอยากได้ขึ้นมาแล้วอาจจะไปฆ่าได้ไปรักได้ไปเพื่อผิดในกรรมได้หรือพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพ้อเจอ้อเยอะแยะก็น้องตัดแล้วก็ความไม่โลภนั้นก็จัดแจงนา ม, มารรมทั้งหลายของโยงมมงคลเองนั่นแหละแล้วก็มาปิดกายกรรมวจีกรรมไม่ให้ทังบาปใจของโยงมมงคลเป็นสุขไหมเนี่ยเขาเรียกว่ากายวาจาใจสะอาดปรากฏออกมาเดี๋ยวนี้เป็นสีเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอะไร เกจะสิกศีนความไม่โลภเนี่ยเป็นศีนเข้าใจไหมเนี้ยเข้าใจใช่ไหมถ้ายกอย่างนี้ชัดใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วมันจะจัดแจงกายกรรมวิีกรรมแล้วก็มโนกรรมนั้นให้สะอาดหมดจดเดียวนั้นเลยและความปลื้มใจจะเกิดตรงนั้นความไม่เดือดร้อนใ จ, จเกิดตรงนั้นแหละเพื่อผลต่อไปคือสมาธิ ที่จะตามมาอีกจะตามได้ง่าย